สู้ความรุงเรืองทั่วกันดำคู่ต้นโตสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัด นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบาัน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 ข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับในกรณีความคืบหน้ากรณีคดีของบอสนะกระทิงแดงนี่นะครับนะในส่วนนี้นี่เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีก็มีคำสั่งสำนักนายกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะและข้อกฎหมายนะครับ อันสืบเนื่องมาจากการเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ทางสื่อและสังคมอย่างกว้างขวางแหละครับนะก็คงจะเป็นในหลายคดีในนั้นก็คงจะเป็นคดีของบอสกระทิงแดงอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งกรณีที่พนักงานอายการและตำรวจนะไม่มีความเห็นแย้งนะครับก็สั่งไม่ฟ้องคดีอาญาผู้ต้องหานะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะกรณีบอสนะอยู่วิทยานี่นะครับขับรถชนตารวจ นะเมื่อวันที่3กันยายน2555นะก็ถือว่าเป็นความอ่อนไหวกระทบกระเทือนนะความเชื่อมั่นในในกระบวนการยุติธรรมก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีนายวิชามหาคุณนะผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเนี่ย เ, เป็นประธานแล้วครับนะซึ่งเราก็จะมีประหลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะรประธาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนายกสภาทนายความคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาและธรรมศาสตร์และรามคำแหงนะครับเป็นกรรมการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ตรวจสอบนะสืบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆแล้วก็จะนําเสนอให้นายกได้พิจารณาแหละครับนะเพราะฉะตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดู ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสเสนอแนะนำไปสู่การป ร, ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับนะเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะวันนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูแล้วครับนะว่าในส่วนของการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นอย่างไรในส่วนของตํารวจของอายการก็จะแต่ละหน่วยก็มีการตั้งคณนะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ทนคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนของของสภานี่ก็เชิญทางตำรวจทางอายการมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เป็นขา่าวนะกันตามสื่อนะครับก็ยังไม่ได้รายละเอียดมากอาจจะต้องรอสัปดาห์หน้าให้แต่ละหน่วยไปรวบรวมรายละเอียดแล้วก็มามาชี้แจงนะในกรณีที่ในส่วนของในส่วนของอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับตำรวจก็ไม่แย้งนะครับก็จะ จะทำอย่างไรนี่คงจะต้องจะต้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะเป็นที่จับตามองของสื่อต่างๆกันอยู่นะครับก็ต้องดูในส่วนของคลมมชุดใหม่เนี่ยนายงตรีนะเปิดเผยที่ทำเนียบบรนษบอกว่าก็กำลังนำคลมมประยุทธ์2ทับเนี่ยนะครับขึ้นทูนกล้าวนะครับนะก็ต้องรอนะครับ น, น่าจะ ประมาณไม่เกินกลางเดือนสิงหาเนี่ก็จะเรจะเห็นภาพของคลอลโมชุดใหม่ขึ้นหลายฝ่ายก็อยากจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตทางทางเศรษฐกิจแหะครับนะว่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับทําอย่างไรที่จะมาคลี่ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะตอนนี้นี่จำนวนคนคนว่างงานนี่ก็สูงขึ้นนะครับนะในในจ้างกิจการต่างๆนี่ก็ ปิดกิจาการเลิกจ้าง ก, กันมากเนี่ย จ, จะจะแก้ปัญหาตรงนี้กันกันอย่างไรนะเพราะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกิจาการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวนี่ก็แทบที่จะต้องหยุดพักนะกิจาการกันไปนะครับเลิกจ้างงานเพราะว่าเราพึ่งพานะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะประมาณ 70% 80% เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจากทางด้านจีนนะฮะทางด้านจีนทางด้านญี่ปุ่น นับเกาหลีทําตองนี้ทั้งยุโรปและทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นนักนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทยนะเพราะเราขาดรายได้ส่วนนี้ไปก็คงนะจะส่งผลกระทบนะต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องหาทางในการที่จะนะดูแลแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะต้องเอานักธุรกิจที่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับนะเข้ามาดูแลนะครับทางด้าน ธุรกิจเรามารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ Sun. มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่เราจะเห็นว่ามีการเรียกร้องนะครับของในส่วนของการชุมนุมของนักเรียนของนักศึกษาและต่างๆกันกันมากมายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสสเนียมีข้อเสนอมีทัศนะที่น่าสนใจอย่างเช่นคุณเทพไทยเสนาพงศ์สนนสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์นะซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วก็พูดถึง าการชุมนุมของนิสิตนักศัยยื่นข้อเสนอ3ข้อต่อรัฐบาลนี่ก็ที่น่าสนใจก็คือการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการขยายการชุมนุมไปหลายจังหวัดเนี่ยนะครับนะตรงนี้ในเทพไทยก็บอกว่าแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาบางคนก็มีท่าทีเห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะประเด็นที่มาของสอวนะครับนะซึ่ง จำนวน250คนน่แหละครับโดยส่วนตัวของนายเทพไทยก็บอกว่าถ้าต้องการจะปลดล็อกนะการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาโดยเร็วก็ควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคือคือโดยโดยส่วนตัวเสนอให้แก้ไขมาตรา256เพียงมาตราเดียวก่อนนะเพื่อเปิดประตูนาไปสู่การแก้ไขมาตราอื่นนะครับก็คื อ, อมีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรขึ้นมา จัดทารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับสามารถทำให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับนะถ้าเมื่อมีส อ, อส อ, อสลขึ้นมาแล้วก็ให้สสลอเนี่ยนะครับไปดําเนินงานร่างรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนขึ้นมานะเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะจึงค่อยมีการยุบสภาขึ้นอํานาจให้กับประชาชนนะเพื่อเลือกตั้งผู้แทนใหม่นะครับตามกลไกใหม่นะครับนันก็เป็น ข้อเสนอเนี่ยนะครับในส่วนของนายเทพไทยเสนพง์ซึ่งเป็นสอสอประชาธิปัตย์นะรเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งก็คงจะต้องดูนะครับส่วนกรณีเกีก่ยวกับเรื่องการเรียกร้องขึ้นค่าตอบแทนให้กับอสอมอในในอนุทินชาญวิรกุลรองนายองตรีและรัฐมนตรีสาสุขนะได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนบอกว่ามี เนะครือข่ายอสมอเนี่ยมาเรียกร้องนะครับคือให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้กับอ ส, อสมอนะเป็นค่าเสี่ยงภัยกรณีร่วมมือควบคุมการป้องกันไวรัสโควิด1นทะี COVID 19, นโควิด -19 ในอัตรา500บาทนะต่อคนเป็นระยะเวลา19เดือนนะครับก็เสนอไปแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขเสนอไปยังสภาพักนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะ เรียกร้องว่าให้ให้ให้ได้ตามนั่นนะซึ่งสภาพัฒนนี่ก็ต่อลองว่าจะให้เพียงเจ็ดเดือนซึ่งตรงนี้นี่ทาง<ม>อสมมก็อยากจะเรียกร้องให้ได้สิบสิบเก้าเดือ น, นซึ่งตรงนี้นี่ร อ, องนายยงตรีก็คงจะต้องติดตามนะผัดด้านกันต่อไปนะครับนะนเกี่ยวกับเรื่องของอสมมก็ทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับเราจะเห็นว่านะอสมมนี่ทํางา น, นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะการควบคุมการดูแลเกี่ยวกับเรื่อง กัรไวรัสโควิด COVID 19ในระดับชุมชนได้อย่างเข้มแข็งมีเครือข่ายกันทั่วประเทศซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะว่าเป็นอย่างไรจะจัดสวัสดิการให้ให้อย่างไรนะครับในส่วนของทางด้านนักธุรกิจนะครับนะทางด้านนักริทัศนะต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนายธนินนน์โสรัสรองประธานสภาองค์ ก, กรนายจ้างนะนะนะและผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยนะครับก็บอกว่า ตอนนี้ในโจทย์ปัญหาแรงงานปัจจุบันมามีปัญหามากเลยนะครับนะและท่าทายรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เพราะว่าตอนนี้นี่มีแรงงานตกงานในทุกกลุ่มอาชีพประมาณ3ประมาณ3ล้าน4ล้านคนนะซึ่งถ้าตลอดทั้งปีอาจจะมีจำนวนมากถึง8ล้านนะครับนะก็เป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นี่แหละครับนะโควิด -19 เเพราะฉะนั้นนี่รัฐบาลอาจจะต้อง พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้โด ย, โดยเร่งด่วนเสนอให้มีการดึงกระทรวงแรงงานมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเศรษฐกิจนะเพื่อให้มีการบริหารเชิงลุกนะสร้างแรงงานรุ่นใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานคือ ก, ก็คงต้องการแรงงานที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะครั บ, นะรบนะเพราะฉะนั้นตรง น, นี้คงจะต้องมีข้อเสนอนรัฐบาลบว่าจะต้อง มีการพยายามที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการหาอาชีพการพัฒนาอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ยังมุมมองบอกว่าไทยเรากำลังนับถอยหลังสู่สังคมสูงวนะัยโดยสมบูรณ์คือสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ในปี 2064-2065 นะครับเพราะฉะนั้ตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องให้ประชากราตรงนี้ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างไรนะครับาอาจจะมีตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุในในส่วนของญี่ปุ่นกาหลีต้นี่ก็ยังมีนะฮะงานที่จ้างผู้สูงอายุนะที่ยังทำงานได้อยู่แต่จะต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับนะมีมาตรการละต่างๆนะครับนะที่จะต้องที่จะต้องดูแลในด้านนี้เป็นข้อเสนอของ นายธนิตโสระศ์ซึ่งเป็นรองประธานสภาองค์กรนายจ้างนะผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะเป็นข้อเสนอว่าว่าจะทําอย่างไรในการที่จะขี้ไข่ปัญหาต่างๆเหล่านี้อีกด้านนึงก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำล่ะครับนะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลน น้ำในการเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคนี่กระจายกันแพร่หลายนะครับในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางภาคอีสานนี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักทั้งบุรีรัมณฑนะ์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครราชสีมาอะไรต่างๆนี่นะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะในหลายจังหวัดรวมทั้งภาคเหนือด้วยนะครับนะก็คือเกษตรกรก็ไม่มีน้ำนะที่จะเพียงพอในการทำนานะซึ่งก็จะมีผลแล้วครับทำให้ ผลิตข้าวไม่ได้ก็จะเป็นข้าวก็จะขาดแคลนนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีปัญหาอาจจะต้องมีโครงการที่จะต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนะฮะให้ทั่วถึงแล้วครับนะทำอย่างไรแล้วครับถึงต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับนะให้ได้เหมือนกันนะครเป็นโจทย์ใหญ่ของของรัฐบาลแล้วครับปีนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับค่อนข้างจะทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ต้องดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร นับว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ราคาข้าวราคามันราคายางนะครับนะราคาปาล์มน้ํามั น, มนต่างๆนี้ก็ยังเป็นราคาสูงอยู่นะครับแล้วก็มีตลาดส่งออกนะพออยังมีราคาสูงนี่ก็ทําให้เกษตรก ร, รมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะก็จะสามารถที่จะจําหน่ายผลผลิตมากขึ้นนะครับนะก็จะทําอย่างไรนะครับตรงนี้นี่ก็เป็ น, นกลไกที่ต้องอช่วยกันนะครับรวมทั้งการส่งเสริมกัน ท่องเที่ยวนะครับในในชุมชนต่างๆนี่ยเรามาเน้นเกี่ยวกับเรื่องคนไทย <Mu> ทเที่ยวกันเองนะครับตอนนี้ในตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศยังปิดอยู่แหละครับนะเพราะไวรัสระบาดกันอยู่ในหลายประเทศก็นเน้นที่จะส่งเสริมให้มาเที่ยวกันเองก็ต้องให้แต่ละชุมชนนะครับจัดกิจก ร, รรมนะครับจัดกิจกร ร, รมจัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น, นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการเที่ยวกันเองภายในประเทศนะก็จะเป็นทางออก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 ใจคนนจจงเมตตาเห็นใจคนจนพี่สู้ทนเป้าง้อรอพี่รอขอความกรุณาจงเมตตาเห็นใจ สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง10บนาฬิกากับสารัญญาเสถียิพลค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยนันมีอำนาจยุ